มันเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งการหมุนเวียนแปรงเหมือนกันหมดก็ 0 ผมใช้นิ้วก็ให้ 0 ใช่มั้ยฮะจริงมั้ยแต่มันไม่ งงมั้ยครับคือดินจะภาพนั่นเองเป็น 0 ผมใช้กำปั้นของเอาดันกันนี่ผลรวมจาก 2 สิ่ง จะกลับกลายเป็นสิ่งดังนั้นท่านธรรมธรรมแปลชีวิตกายจิตอารมณ์โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นนอนนะครับเรา มันเข้าหากันสนิทแนบแน่นเหมือนที่เราเอานมแล้วเราเติมน้ําแล้วตีเข้าหา เราเล่ากันด้วย 12 3 วันแล้วเข้าไปที่เขาใหญ่เรียกว่าไปชื่นชมธรรมชาติอย่างนี้ถูกผลักห่างออกไป นอนยิ่งห่างใจหนักขึ้นเพราะยิ่งนอนปลาย ธรรมชาติภายนอกทั้งภายในนั่นก็คือเรา คือผมเนี่ยได้เคยพูดเล่นแต่ผมคิดว่ามีความจริงลึก มันเชื่อมโยงกันเป็นเอกภาพเดียวป่าที่แคนาดานะ ที่ที่ออกจะพิลึกอีกข้อนึง ดเงียนๆนะเขียวชุ่มขึ้นมาชาวบ้านลือว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้นไม้มีชีวิตนั่นแหละเพื่อนเรา คงไม่อยากจะอยู่ร่วมโลกว่ากําเเกรดมนุษย์ไม่อยากจะอยู่ร่วมโลกทุกขทรมแล้วก็เนี่ยชวนกันตายมันมันแสนเด็ก นั่นกันออกขี่วาปาน่ากันเมื่อกลัวเมื่อจิตใจของ ตอนมาร์ชอยู่ได้ยังไงคิดดูที่ลอนดอนนั้นมีถือถือไอ้ตูเสื้อผ้าพลาสติก ไม่รู้จะพึ้นอะไรกันแล้วคำพูดเรื่องคลาย persecvers เมื่อใจ girls Гос internacional就行了 ความเสีย plays in depth too .想 sucsывioè isead on camera. Learn something. Scientists learn from this church to learn about it. Comment up? trees to affect it. dc Вот something. You said they're outside the rouge? La gue that make a world. N・・ struggling. Leather high? истор. 되� laloquette did it. If I comment it mattersいい Utah and p씨S üç but this มันมีความจริงที่ลึกลึกซึ้งมากๆเลยเวลาเราดีสมาธิสติมีสัมมสัญญามันก็มีอํานาจหนึ่งเกิดขึ้น บทที่ 1 มันถอดถอนสัญชาตญาณได้ด้วยนะสตินั้นเป็นตัว รู้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยในสุญก็ถอดถอนค่อยๆดึงไอ้ทรายออกจากตาเข้าใจ คนธรรมดาสามัญก็ถูกน้ําตําก็ได้ด้วยเอง ยังความทุกข์มีดังนั้นเพราะเราเกิดทุกข์ขึ้นมาสุทธิเราดีเราเห็นไม่ช้าไม่นานปัญญาเราจะเกิดมันรู้มันสาวจากผลไปสู่ 10 ปีข้าง เหมือนเราเอาเหมือนก็ฉายเข้าไปยนต์มันจอเนี่ยเราดูดูงานเข้าเบื่อเราก็ค่อยถอนสายตาละสายตาจาก ทุกข์มีมันเกิดเองไม่ๆเลยแล้วมีทางที่แก้ถูกได้หรือบางพวกเชื่อปฐมเหตุเช่นว่าทุกข์นี้พระเจ้าทําให้เลยจัดการอะไรไม่ได้นอนรอ นี่แต่สิ่งที่ถูกต้องในอย่างยิ่งใช่มั้ยครับนั้นคนที่เจริญสติตามแนวทางพุทธศาสนา ทุกข์กกความร้อนความทรนทรายความเหี่ยวแห้งใจความโทมนัสเศร้าใจ ที่ดีเครื่องเสื้อผ้าเราก็สวยๆบ้านเรือนเราหน้าอยู่ๆอยู่ด้วยเข้าๆทึบๆความไม่แจ้งฉานในใจธรรมชาติเข้า คิดตัวเองสําคัญคิดตัวเองไม่สําคัญคิดตัวเองสําคัญเท่าเทียมกับคนนั้น รู้ตัวเองด้วยเค้าคิดบนเหนือเค้าเอเนี่ยมันเรื่องโง่ๆได้เค้าก็คิดเปรียบเทียบทุกทันทีจริงมั้ยครับวันนี้เพราะฉะนั้น ไม่มีความยึดถือไม่มีความโผผันเหมือนก็เรือที่ลั่นไป แต่ว่าทัศนสติยังไม่สมบูรณ์นะทุกความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดจะหาเออคืนนี้จะไปเที่ยวดิสโกเทคที่ไหนน้อพอคิดปั๊บก็ ขคิดทํากันแล้วไม่ทุกเงินมาจากไหนล่ะเข้าใจ มีนึกสําคัญตนตนผิดประจากธรรมชาติความสําคัญตนตนผิดพลาดจากธรรมชาตินั่นคือปาทาน คือมีอุปาทานในขันธ์ 5 ตามธรรมชาติคือ เหมือนว่าว่าผมคิดถึงใครสักคนนึงเนี่ยตอนนั้นเห็นยังคิดถึงเป็นหน้าเป็นหลังนะทํามานั่งตามดํานี้ไม่ใช่ต้อง เมื่อเราเห็นตัวเองในธรรมชาติมันหมดความคิดเรื่องตัวเองครับเข้าใจมั้ยครับไม่ได้คิดว่า วัญซึ่งไม่ปรากฏให้รับรู้เนี่ยปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงในความรับสัมของเราใช่มั้ยครับ เพราะละหูเราไม่ได้คิดถึงหัวกะโหลกของเราถ้าใครที่เดินผมให้ยุ่งกันใหญ่ในทีคือ <laughs> คนเห็นกับตัวน่ะคือมันคิดถึงในเรื่องตัวเองมากไปใช่ไม่เห็นบ้างดูเข้าไปปฏิบัติเข้าไปเร้าความรู้สึก <วาง S 1> มันมันอยากจะวัดความลึกของน้ําสมมุติว่าเป็นตุ๊กตาน้ําแข็งมันก็พุ่งหวงในน้ําเมื่อช้าน้ํามัน มันมันล้อมเข้าหากันในสุดมันกลายเป็นธรรมชาติหมดสิ้นเลยเข้า พวกที่นั่งเชยอยู่ลอกเวทีนี่มันมากแต่นั่นไม่ เนื่องจากอุปสรรคสําคัญตอนผิดทราบประจักรธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นทุกข์เมื่อ การปฏิบัติบันนี้ถือกันว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะฮะในแนวของการปฏิบัติอ้าวได้นี่ๆครับ ทำเล่นแต่ว่าทําจริงๆคําพูดชุดนี้ที่เรียกปกผันนะครับทําเล่นๆเดี๋ยวทําจริงๆคนเพิ่งได้ยินนึงอ่ะไอ้พูดยังไงพูดกลับ เฉยๆไม่ต้องปฏิบัติแล้วไม่ต้องคุยกับใครเลยการฝึกสมองนี้ผลเป็นการปฏิบัติด้วยจํานวนเราปฏิบัติ อย่างนี้จะไม่รู้จักนี้จะไม่รู้จักฆ่าเลิกปฏิบัติในเช่นที่สึกเบื่อๆที่มาที่จะต้องเดินที่จะต้องนั่งก็เลยปล่อย เนมจะเห็นอะไรมึงสิ่งซึ่งซึ่งแปลกไม่ได้ปฏิบัติอะไรแล้วก็โตมเหมาอย่างไรฮะตอนปฏิบัติคล้ายๆรับผิด ทึบๆชอบกลไคช่วยช่วย ต้องตั้งใจฟังอีกนะครับบางประเด็นเวลาฟังเนี่ย เมื่อพูดถึงธรรมชาติของชีวิตนะนั่นเองแต่เราไปผูกพันตัวเอง <c oughs> ท่านม้ารู้สึกชมชมแถวถิวหนังว่าที่ คือสมมุติเราไปพักผ่อนพัทยาหาหนังสือนิยายไปอ่านเล่นอ่านเล่นก็หลับหรือเล่นหมากเอาหนังสือ จิตเป็นเอกขึ้นมาแล้วก็อุปธินิเวศคือเอ่อหนีข่าวหายไปจากกิเลสตัณหาอุปาทานๆเราก็ยึดและ มรรคจนถึงตอนตอนเลิกปฏิบัติมีครั้ง 25 ปีท่านไม่ไม่ได้รับความสบกไม่ นี่คือจดที่ผิวหนังที่ขอใน ถ้าคนเก่งก็เลี้ยงตัวไปจนถึงนะครับแต่คนระดับสมรรถ์ทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ ปฏิปทาคําปฏิปทามันแปลว่าไต่ไปตามทางไต่ไปซีลเปลาะซีลเปลาะทีละเปลาะทีนี้ถึงฝั่งโน้นลาวลุกลงไม่จําเป็นละรู้เมื่อไต่ชํานาญเข้าสันเข้าบางโอกาสไม่ต้องจับลุกลงก็ได้ไม่เส แต่ทุกคนเค้าจะติดต่อเราก็จับยึดมันไว้มันเลยกลายเป็นเครื่องถ่วงไม่ให้เคลื่อนขึ้นหน้าเข้าใจเนี่ยเราทําอย่างนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ คนเอียนสเปซฟาร์มมันก็ออกนอก มันย่อยทีเนี้ยแต่ก่อนนะครับชั่วโมงก่อนๆ สำคัญว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเป็นตัวเราทีนี้ลองมาซึมโปรดว่าคํากล่าว มันรู้สึกกายในของเราเสื้อผ้า